ความดีเกิดขึ้นจากใจไม่ได้เกิดขึ้นจากปีเดือนวันเวลาแต่เรากล่าวกันเป็นมุคลาธิฐานเฉยอม่ใช่แท่วันเวลาไม่รับผิดชอบของท่านผู้ใดขณะก็ดีครู่ก็ดีดเธอทําดีในเวลาไหนขณะใดครู่นั้นแหละเป็นครู่ดียามดีขณะดีของเธอทั้งหลายในบาลีเขาบอกว่าสุนักกตังสมังคารังสุภ ป, ปาตังสมุทรติตังสุขโนสมุตโตจัก ไปกันจบปีไหนก็ปีปีใหม่ก็ปีเก่าของเขาเราทึ้งออมาในนั้นเองแต่ว่าเป็นการให้พรกันเพื่อเป็นอวยชัยพรเป็นวาจาัยรสนาโสตสมานมิตรสมานฉันแต่ความนี้จะเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นด้วยที่ผู้ให้พรก็ผู้รับพรเป็นผู้ทำดีเท่านั้นถ้าไม่ทำดีเลยการให้พรก็เป็นเพียงวาจาไพรสนโสตแต่ก็เป็นรมารวาจาอยู่ เพราะสัมมาวาจาชอบเว้นจากวาชีทุจริตสี่เว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อเรียกว่าสัมมาวาจาเป็นวาจาชอบของผู้อวยชัยให้พรและผู้รับพรแต่ว่าความดีไม่สุดเพียงนั้นก็ต้องทาดีอีกท่านทุกท่านก็คงเข้าใจกันดีเพราะได้อบรมบ่มนิสัยทมานานแล้ว เราปฏิบัติพระพุทธศาสนาเพื่อคนทุกข์ในวตสาสงสารปัญหากวมแย่มากทำไมจึงปัญหาแย่มากเพราะเรามีบารมีแก่ข้ามาแล้วปัญหากวมแย่มาเพื่อเราดิ่งพระนิพพานสิ่งเดียวเห็นคณะเห็นภัยในคณะคิดหนึ่งเห็นอนิจจังคณะคิดหนึ่งเห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว เพราะเข้าใจว่าในไตรโลกทาตุเต็มไปด้วยอนิจจังทุกครั้งอนัตตายัดเยียดเบียดเสียดอยู่จะรู้ทําทำไปจริงหรือไม่รู้ว่าทำไปจริงก็เป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ผู้สร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วผู้สร้างบารมียังไม่แก่กล้าการภาวนาก็ไปยุ่งตนวมิตรอะไรต่ออะไรต่างๆสวรรค์เอ๋ยภพมโลกเ อ, อ๋ยใจใจคนนั่นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้เ อ, อ๋ยอยู่อย่างนั้น เดีผู้ว่าเลยไม่แก่กล้ามาแล้วก็เด่งพิจารณาอนิจจังทุกครั้งรัตตาเลยเพื่อให้เบื่อให้นายความหลงของของตนที่เข้าไปยึดถือความหลงของเราที่เข้าไปยึดถืออยู่นี่ของไม่เที่ยงยึดถือว่าเป็นของเที่ยงของเป็นทุกข์ยึดถือว่าเป็นของสุขของไม่ใช่ตัวตนยึดถือว่าเป็นของตัวตนของไม่สวยไมงามถือว่าเป็นของสวยของงามคือหนังหุ้มอยู่ใยรอบความหลงสีประการนี่ถ้าคำทะเลหลงสีประการนี้แล้วไปก็เข้าสู่ พระนิพ่านเท่านั้นพระดับเพินในสิ่งเหล่านี้ความหลงเป็นแม่ทัพของกิเลสทั้งหลายพระส ว, วัสดิบาลละทนะโลกโกรธหลงไปเป็นเอกเทศพระสักระคามีชนะไปเป็นเอกเทศอีกพระนาคามีชนะไปกว่านั้นละเอียดมากอุปราทานละเอียดยังมีอยู่ สวัสดีวดันสักตาคามีนาคามยยียุปาทานอันหญาบละไปขาดแล้วพระได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วคําว่าได้ดวงตาเห็นธรรมก็คือไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสิ้นห้าไม่เสียดายอยากจะถือศาสตาอื่นไม่เสียดายอยากจะฆ่าขายเครื่องประหารฆ่าขายมนุษย์ ค่าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าวเพื่อเป็นอาหารค้าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษพระโสดาบันไม่เสียดาอย่า่วงและเมิดเลยเพราะเห็นดิ่งลงไปแล้วว่ามันเป็นทางชีบหายความเห็นดิ่งลงไปนี้ถ้าดิ่งลงไปทางถูกมันก็ถอนไม่ออกดิ่งลงไปทางแน่ว่ทางผิดมันก็ถอนไม่ออกเหมือนกันเหตุฉะนั้นพระพุทธศาสนาะจึงให้มีอิสระสันชิตทีโกให้เห็นเองถ้า่ให้เห็นเองบังคับให้เห็นเดี๋ยวก็ขบวัตคืนนะ ย่เอเครื่องอะไรมารอ่มารอมารอเต็มแผ่นฟ้าแผ่นดินพอหมดเครื่องรอแล้วมันก็ขบศ์คืนเห็ในใชนะพมผูศาสนาจึงสอนให้มีสิทธิ์เห็นเองคำว่ามีสิทธิ์เห็นเองสันทิษทิโกของพระสวสดาบาลสันทิษทิโกของพระสกทาคามีสันทิษทิโกของพระอนาคามีสันทิษทิโกของพระอรหันต์จบสันทิษทิโกแล้วเห็นชอบแล้วพร้อมชอบแล้วทุกสมุทยัยในอดมักเจริญเรียบร้อยแล้วอืเรียวกว่าเป็น เห็นชอบในสัมมาวายามะแล้วในสัมมาวิมุตติแล้วในสัมมาญานะรู้ชอบแล้วสันติโกสุดท้ายใครศรัทธาเยนสันติโกจบก็พระอรหันต์นั่นเองใครเรียนนโมจบก็พระอรหันต์นั่นเองพระอรหันต์เรียนนโมจบนโมแปลว่าน้อมน้อมนอมจนน้ำมาเกิดแก่เก็บตายอีกน้อมน้อมไม่มา โรภมากดมาหลงอีกนั่นพระลรหัพนพระทางณนะคาฉาเนี่ยธรรมังสังคางกมเปนการถึงทุติตาเปก็ดีหรืออยู่ทุกเวลาถึงอยู่ทุกเวลาก็าดีระลึกได้เมื่อไรก็ดีคือพระลรหันเรียนใตสนาคมจบแ้ะคมจนไม่มาเกิดแก่เก็บตายไม่มาโลภมากดมาหลงอีกทําแต่ละวัดระบาจงต่อพระนิพพานหมดทาฝ่ายชุกพระพุทธศาสนาะ เป็นสุภจรโนเป็นโลกุตระธรรมโลกุตระศรีลโลกุตระปัญญาโลกุตระสมาธิทําไมจึงมีโลกีมาบนไปเพราะเอาคําสอนศาตราอื่นมาบนไปว่าก็ต้องมีโลคีมาบนเปสิโลกุตระมีในทางพระพุทธศาสนาอันเดียวเพราะบรมศาสตานาปฏิเสธแล้วในมหาปริญญนิพานสูตรท่านสุภะพทะผู้บวชต่อแก่ ไม่ใช่สุภะาผู้คัดค้านผู้คัดค้านที่จะทำสังขายยรยาไม่ใช่สุภะคนนั้นสุภะผู้เคยเป็นน้องพระกนธัญะมาแต่พวกก่อนๆนั่นเคยได้ทานข้าวเก้าขั้งถามกลาวสูดพระบ ร, รมศาสนาว่าลัทธิอื่นๆถ้าไม่ประมาทยันยวิธีจะถึงสุภจรปโนชุยยาญาสามีบ้างหรือไม่ อย่าเลยอย่าเลยอย่าเลยเราตาทาคตไม่พูดเข้าข้างตัวเราตาทาคตเป็นธรรมมาเทปไตยเคารพทรตมท้าคตไม่รู้ว่าทรรมก็มีอยู่ก่อนเป็นเพียงว่าผู้มาจำแนกทำเฉยๆตาทาคด ถ้าทําให้มีอยู่ก่อนก็าจ <c oughs> ำแนกไม่ได้เหตุฉะนั้นจึงเขาลบอกทำแจบจงเป็นธรรมมาเทปไตยไม่กระด่างกระเดือนเรืองเลยแล้วที่เจ้าองค์ไหนมาก็มาสอนทำอันเดียวกันมีพหลรบกันเดียวกันแม่ได้ลบล่างพหลรบกันเว้นแต่เพียงว่าศรัทธาทีกะปัญญาทิกะวิทยาทิกะเท่านั้นแต่เป็นทำคําสอนอันเดียวกันไม่ได้มาลบล่างกันเลยและที่อื่นๆไม่มีทุพเทปโนไม่มีอุชุไม่มียายะไม่มีสามีจิตเราไปพูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทำพระบรมศาสตร จะภาวนาจนขงขนขงขนหล่นเจ็ดวันเจ็ดคืนก็าตามถ้ายังเสียดายอยากลอดระเบิดสิ้นห้ายังเสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นยังเสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีอยู่ยังเสียดายอยากจะขอเวรท่านผูน้ใดให้ถึงความพินาศอยู <Okay. S 1> ่ก็ไม่ใช่สุปฏิปันโนยังไม่ทันลงโอเป็นโลกุตะยังเป็นโลกีอยู่ แต่ก็ได้บุญญอยู่แต่ไม่ใช่บุญโลกตระบุญโกุตระนับแต่พระสวสดาบาลเป็นต้นไปจนถึงอะไรหัตตมัตส่วนเป็นอพระหัตตผลน่ยไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปเพราะเหนือบุญเหนือบาปไปแล้วหวังว่าพุทธบริษัทคงเข้าใจดีผู้ที่อบรมมาชั้นสูงผู้ที่อบรมมาชั้นต่ำถ้าเสียดายอย่างร่วงละเมิดอาบายมุกโกเสียดาย ว่าคำว่าอบายามุกเกินความกว้างเล้แข่งเรือแข่งว่ากัดปราชนไก่เป็นอบายยมุกทั้งนั้นค <c oughs> ่าขายเครื่องอาหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสเปว์เลยเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้าเมาค่าขายยาพิษการค่าขายเหล่านี้สุพัจญปโนไม่เสียดายอยากลวงละเมิดเลยพระเห็นว่าเป็นเมตขาทิฏฐิความเห็นผิดในชั้นสุพัจญปโน มิจฉาทิฏฐิมีเป็นลำดับเนอพระสกทาคามีก็ยังมีมิจฉาทิฏฐิในชั้นสกทาคามีเ อ, อยังมีมิจฉาทิฏฐิในชั้นพระรหารส่วนพระทหารหมดแล้วมิจฉาทิฏฐิเป็นสัมมายาณเป็นสัมมาญาณนะรู้ชอบหมดสัมมาหมดมิจฉาทิฏฐิ คำสอนแต่ละบทละบาทของพุทธศาสนาค่ายคำล่องเรียกอยู่ไว้มีกลางวั น, นคืนมาเถิดลูกหลานเอ๋ยข้ามาซะพ่อข้ามาแล้วพ่อข้ามาแล้วมาเถิดมาเถิดมาเถิด อ, อย่านอนใจเนอ้อเธอนอนใจในวัฏสงสารก็นอนใจในรุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันนั่นแหละนี่หมายความว่ามาตัวมันดีๆไม่เดียวเชี่ยนทีเดียวก็ ว, วิ่งสามโยต อุปมาเหมือนบุคคลพวกใกล้จะพ้นแล้วแนะคําเดียวกัะบาลเลยดอกวัวดอกว่าสี่เรามีข้างพุทธการก็มีข้างนี้ก็มีบางท่านบอกว่าทำก็ทำไปเถอะไม่มีดอกพระลหันคนตาบอดจะไปเห็นพระลหันทำไมจะไปอวดดีสวนเข็มมันก็ไม่ได้นั่นดอกวัวสี่เราก็มีอยู่ในข้างพุทธการก็มีข้งนี้ก็มี ดอกบานข้อบานเต็มภูมิดอกตูมข้อตูมเ็มภูมิดอกเสมือน้าข้อเสมือนน้ำเต็มภูมิดอกบานข้อบานเ็มภ okay ูมดอกใต้น <universities> ้ำข้อใต้น้ำเต็มภูมดอกใต้น้ำก็คือผู้ยืนยันว่าไม่มีบาปไม่อีบุญยืนยันว่าไม่มีบาปไม่มีบุญนั่นคืออะไรก็คือฟังเสียงจอบขุดฝังตนเอง ที่ยืนยันว่า ม, มีบาปมีบุญคือรอกันตะหน้ารกอขุมมืดมืดจนไม่รู้จักว่ามีบาปมีบุญไม่จนไม่รู้จักว่าอะไรต่ออะไรมันจะเข้าใจว่าโลกทุกวันนี้พูกมาเกิดในโลกทุกวันนี้อยู่ในระดับเดียวกันหรือไม่ผู้สร้างวาระมีแก่ข้ามาแล้วก็มีใช่ไหมนั่นเช่นพระพาหิยะอย่างนี้ท่านท่านสร้างวาระมีใก่ก้ามาแล้วเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นเนอครับพอแล้วนั่น ที่พูดมากทาไมพูดมากก็พราะอพ่อเพราะป้าผู้สร้างวารมีอ่อนจึงได้พูดมากพระไตปรปิฎกสี 5, สห้าพันษารวมลงมามเป็นไตรสิกขาศินสมาธิปัญญาก็พ่ะพูดตามผู้ที่มาเกิดวารมีอ่อนว่าวารมีกล้าว่าเพราะอินทรีย์ไม่อยู่ระดั บ, บเดียวกันก็ได้พูดมากถ้าอินทรีย์สูงแล้วพระบรมศาสดารูศศรรร้สึกว่า รู้จักว่าอิีย์ของคนนี้สูงสุดเพีงคําเดียวแล้วก็ไปเลยปาราช็กซีสังขารที่เศษสามาวรรณยุต์สองสังขะอันนี้จะเชี่ยไปซีรัี่ยไปจะเตี๊ยงิบสองยังไม่ได้บัญญัติเลยยุบว่างต้นไม่มีปาราเ ช, ก 4, ช็กซีแค่ไหมพิชซ์ลวดตั้งหลายหมื่นหลายแสนได้ไปเลยเพราะวามมีแก่ต้ามาแล้วนั่นบางท่านบอกว่ า, วามันไม่มาในแพทไตเปรดกไตรเปรดกก็ย่นลองถึงใจแล้วนี่เอกนิบาสนั่น ขยายออกจากไกพูดมากมาก็มาออกไปจากไกลพูดน้อยก็น้อยออกไปจากไกยน่นลงมาเขายน่นลงมาที่ใกลขยายออกก็ขยายออกจากไกลนั่นทำคำสอนอันเดียวกันคนหนึ่งไปฟังถึงไตรสมาคมคนหนึ่งไปฟังก็ถึงพระรหันโยอทหรเช่นพระพรมศาสดาเทศ ทีคณะคาอกฤษชนาโคตชนะโคดอยู่ที่รรมสกรขาตาหลวงปู่มัม่นบอกว่าถ้ำหมูถ้ำถ้มูดุดอะไรอย่างนี้ถ้ำถ้ำสุกรักสุกรักขาตาสุกขรขาาัก ข, ขาตาก็คือสุกร์นั่นเองทีนี้ทีคณะอคกฤษชนะโคดนั่งฟังอยู่ซึ่งหน้าพระอรหันต์พระสาเดวุตร ท, ทางานพัดอยู่ข้างหลัง ขั้นเทพเรื่องขันห้าโลกเวทนาชัญญาทังขานไ ม, ไม่เที่ยงเกิดขึ้นแน่ก็แปลพัวใ้แต่สลายดุดเหมือนเหมือนดังหัวฝีวร่องต้นไม่ต้องพูดพูดตอนนี้พระชายาบุตรเอาพระรหารไปกินแล้วแต่แต่คนนั้นถึงเพียงไตธนาคารนั่นนั่นประเทศกันเดียวกันพนอน้องไปต่างกันตามจิตของท่านผู้ใดยิตของท่านผู้ใดอยู่ในระดับใดก็ดึงคําสอนของพุทธศาสนา ม, มาเข้าข้างตัวใช่ไหม บางท่านบางบางคนก็พูดว่าชุณหะมระยะระยะนี่กินเป็นระยะมันไม่เป็นอะไรหรอกอนั่นมันก็พูดอนยะ่างนันที่นี่มันเสียทชั์เป็นระยะเมาเป็นระยะก่อการทะเลาะวิวาสเป็นระยะเกิดโรคเป็นระยะต้องที่เตียนเป็นอะไรระยะทนกําลังเป็นระยะมันไม่พูดซนะมันบอกว่าไม่มันไม่เป็นอะไรหรอก น, นะนั่นพูดอย่างนั้นนั่นก็มันอยู่จิตอยู่ในขณะนั้นนหะ ศีลห้ามันเป็นศีลของพระสัสดาบาลถ้าไม่ได่าไม่พร้อยศีลแปดเป็นศีลของพระอนาคามีถ้าไม่ได่าไม่พร้อยศีล ส, สองรยี่สเป็นศีลพระหารถ้าไม่ได่าไม่พร้อยนั่นนั่นแปดมืีพระธรรมขันย่อนลงมาในปัจจุบันเลยเมื่อเห็นทุกข์ในปัจจุบันชัดแล้วทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัย เห็นอนิจจังชัดในปัจจุบันอนิจจังในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่สสารไม่ใช่บุคคลเว้นแต่สักพระรูปขันนามขันในปัจจุบันอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีใครข้ามทะเลหลงของตนไปได้คําว่าข้ามทุกข์ก็คือข้ามทะเลหลงของตนนั่นเองข้ามความเข้าใจผิดของตนนั่นเองจะไปข้ามโรคร้วยขาหรือด้วยเครื่องบินเลี้ยวขาฉีกตาย เครื่องบินก็ไม่มีน้ำมันจะใส่ละข้ามทะเลหลงด้วยความไม่หลงข้ามความเกียดข้ามด้วยความขยันข้ามความโลภโกรธหลงด้วยเห็นโทษในโลกโกรธหลงพอถ้าเห็นโทษในสิ่งใดพอสิ่งนั้นไม่มีใครบอกมันก็ข้ามได้ที่มันเห็นโทษพอพวกที่เห็นโทษในไ ม, ไม่รักษาสิ้นห้านี่มันก็ข้ามเองมันมันก็รักษาเองมันเห็นดเป็นสันชิตที่โกทั้งทางขึ้นท้งลง่ง เห็นว่าการพนันมันไม่จะมีะไรายได้อยู่ก็พระมันมยังไม่มีดวงตาเห็นธรรมถ้าเห็นดวงตาเห็นธรรมว่าเหตุเจ็บหายเหตุเจ็บหายในเบื้องต้นคือร่วงละเมิดปฏิปทาหลวงพ่อสวดาบันเหตุเจ็บหายในถ้ำกลางคือสักษาคามีเหตุทจ็บหายในข้ามชุดท้ทาย ก, ก็คือพระอรหรันถ้าเห็นโทษสิ่งไหนพอสิ่งนั้นก็ละเอง แค่นำลายอย่างนี้เราไม่มีประโยชน์เราวัดทิ้งแล้วเราไม่เสียดายอยากจะเอาคืนมามันจะหนักใจอะไรพวกพระสวัสดิบาลไม่เสียดายอย่างล่วงเราเปิดสินหะก็อันเดียวกันก็ไม่หนักใจถ้าถึงพระสวัสดิบาลแล้วต่อหน้านไปสัชกาคามีน า, ามนาคามีอรหันต์ก็เปิดไปเองนั่นถ้ามาอย่างนั้นเราก็ไปิปิดประตูใจปิดประตูปัญญาสมัททาจัคสุจัคสุเราข้อปัญญาจัคสุจัคสุคือปัญญา ที่นี่คนเราปฏิบัติไม่หวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสองสารก็เรียกว่บบาวาระวบีอ่อนอยู่ที่นี่พอเวลาสมควรแล้วใช่ไหมเนี่ยเอออะ ยถาไมลิวะหาปุราภิปเรนเสลังเอวเมวายตทเปตานังอุปกระปติอิตตังปติตังทุมังคิเปเมวัสวิจตุสภิปุเรนุสังขปาจันโทปนารโสยถามณโชติรโสยถาสภิจโยเยวัจฉโสาวะทุโคสาวพโยสาวะโลวินัสสตุมาเตภวตทีกายุโคภวะนะสิสนิังมุตาปาโจัโรธมันติอายุโนสุขังะลัง คือหัวใจไล่ผีก็ไล่ออกจากใจไล่เจดีย์ก็ไล่ออกจากใจผีไม่มีแก่ผู้มาถือบาปไม่มีแกผู้ไม่ทำผัวไม่มีผัวเมียไม่มีแก่ผู้ยอมเป็นโสดเอาพระพุทธประธรรมาสอว่าที่ใจเลยขอยอนไว้ที่ใจมันจึงไม่ลืมถ้าเอาไว้ที่อื่นมันลืมถ้าเห็นก็เห็นอยู่ใี่ใจถ้าหายก็หายออกจากใจ ทำดีทำชั่วแล้วก็ไปอยู่ใจถ้าหาความดีความชั่วก็ไปหาที่อื่นก็ไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่เห็นต้องหาที่หัวใจเลยใจเอ๋ยเคยได้เคยได้เธอทำดีไหมถ้าอะไรทามันก็ตอบมันได้ถ้ามันไม่เคยทามันก็ตอบมันไม่ได้มันจะโกหกมันไม่ได้นะใจเป็นผู้ผ่านก่อนบาปจะผ่านเข้ามาก็มาหาใจ บุญจะผ่านเข้ามาก็มาหาใจพระประตูบาปประตูบุญอยู่เท่นั้นสคสของหลวงปู่ล่าเชมาประตลงโอดังต่อไปนี้สวัสดีปีใหม่เหยียบไฟก็ต้องร้อนกรอนพาไปต้องใช้ปัญญาพิจารณาปีใดก็ปีเก่าใจเก่าสมมติขึ้นใช่ คนชาวไทยได้ใช่สมมติกันมานมนานเป็นการอวยพรกันชั้นเมตคิดเมตตาสมปรารถนาหรือไม่ก็ต้องใช่อย่างนั้นอันวากาภัยระพราะพิ่งอิงธรรมะเป็นจังหวะไม่ได้ละทมในองแปดเดือนปีมีในพระพุทธศาสนาอุ ก, กาบาทโลกาเวนาาไม่ต้องถือสาถือแต่ว่าใจทำดีเป็นมิ่งสีแก่ใจ ใจทำชั่วคุณมมองอยู่ที่ใจนั่นแลความดีความช่วใจเป็นผู้สร้างขึ้นไว้ไป้ายกาตู่ให้ของภายนอกกรอกตนตนคือใจใจคือตนสมมติไหวใช่อย่าได้เอาสมุติไปทะเลาะกับวิมุติจะเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์รูปไม่รู้ตามเป็นจริงจะนิ่งหรือพูดก็ไม่เป็นปัญหาเลยจะเอ่ยหรือไม่เอ่ยก็มีความหมายอันเดียวเกี่ยวกับปัญญาเป็นตารอบครอบ ปัญญาประกอบรอบครอบในไตรสิ่ขาแต่ก็ย่นลงมาอยู่ที่ดวงใจนี่แหละจะดวงเดียวใจดวงเดียวเกี่ยวกับการไม่เกี่ยวกับการส่งนะ่ายหาอนัตตาใจก็ใช่อนัตตารมก็ว่าแต่อนัตตาทางพุทธศาสนามีขอบเขตอนัตตาทุกควรกําหนดรู้อนัตตาสมุทัยควรละอนัตตามรควรเจริญทําให้เกิดให้มีอนัตตานิโรธควรทําให้แกล้งจึงถูก